กระเบื้องที่ท่านองค์ข้มนตรีซื้อมาอแต่เราก็เป็นผู้ส้อมองจ่ายจากนั้นท่านก่อจ่ายคืนท่านเป็นของท่านนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยที่ท่านช่วยมาเรื่องกระเบื้องฮแต่เรายังไม่นับเข้าไปนะยังไม่นับกระเบื้องเข้าไปด้วยกระเบื้องหมดไปหกร้อยปูพื้นหกร้อยกว่ากล่องหกร้อยกว่าตารางเมตร แล้วก็ห้องน้ำอีก400กว่า4 6 0ตรางเมตรเฉพาะห้องน้ำนี่แหละเมื่อวานหลวงพ่อก็ได้มาแวะตรงนั้นนะแล้วก็มอบจดปัจจัจนะพอให้แจ้งข่าวให้พวกเราคณะสัทยาญาติโยมได้รับรู้รับทราบแต่หลวงพ่อก็อดคิดไม่ได้เหมือนกันนะอดคิดไม่ได้ตรงที่ว่าเมื่อหลวงพ่อพูดไปบางท่านบางคนก็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 ข้าวที่เอาปันให้ที่จะยกให้นะเยหมือนกับอะไรเหมือนกับตะพดเหมือนกับไม้ค้อนไล่ทบไล่ตีนี่ะ ค, คนโบราณเขาเปรียบเทียบสรุปแล้วก็คือคนไม่ถูกกันมันเป็นลักษณะอย่างนั้นหละใ ห, ลให้พวกเราเข้าใจเกิดมาในโลกนี่มันเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เรายังไม่เกิดนะถ้าพอเห็นอย่างไรขึ้นมาแล้วก็นั่นนะไม่พอใจขึ้นมาแล้วนะ อิจฉาตาเหลือกคนอิจฉาตาเหลือกน่ยไปตกนรกมากต่อมากแล้วอย่างพระพุทธอย่างพระเทวทัตนี่ยอิจฉาพระพุทธเจ้าไปตกนรกเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้ผุดได้เกิดนี่แหละความอิจฉาเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งในความอิจฉาถ้าใครได้ดีอนุโมทนาสาธุต้องมีเหตุมีผลทําอะไรต้องมีเหตุมีผลความว่าอิจฉาเนี่ย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 ที่ท่านแนะนําสั่งสอนศีลอย่ามองข้ามนะถึงจะเป็นศีลอาบัตเล็กน้อยพวกท่านทั้งหลายอย่ามองข้ามนะไม่ใช่ว่าอาบัตเล็กน้อยก็ทําทําไปนั่นแหละผงทุลีอาบัตเล็กน้อยแหะคือผงทุลีอาบัตใหญ่คือขอนยวงขอนอยางขอนยวงขอนอยางมันไม่ปโปอยเข้ามาเข้ามาในตาของเราห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 นี่และสินและวินัยความชั่วอย่าทำเสเลยดีกว่าความชั่วจะทำให้ตนเองเป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละอันนี้คือทำแต่ส่วนวินัยอันนี้คือธรรมท่านก็สอนอีกทีวิถีแนวความคิดสมัติฐาเบื้องต้นนั้นทำอย่างไรหลวงปู่มันก็นเน้นหนักเรื่องอาณาปานสติบริกรรมพร้อมกับคำบริกรรมว่าพุทธโธนะ